เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมุ้งความสงบเป็นที่ตั้งในตอนต้นตอนต่อไปก็พิจารณา ตามที่ท่านแสดงไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามให้ความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปนี่จึงเรียกว่าเป็นการอบรมฝึกน้นจิตที่ยังไม่สงบให้เข้าถึงความสงบ จิตที่ยังไม่ฉลาดให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้จิตนี้มันจะไม่ฉลาดเลยแล้วก็จะไม่สงบด้วยตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักรสชาติแห่งความสงบเลยนะถ้าไม่ฝึกผลอย่างว่านี้นะ เมื่อไม่พบกับความสงบก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ความสงบใจสงบกายสงบวาจาสงบกายกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ดื่มของมือนเมาของเสพติดไ้โทษต่างๆสงบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบร้นต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์เท่านั้น พูดแต่คำจริงนี่ได้เชื่อว่ากายมันสงบจากบาปวาจามันสงบจากบาปถ้าเว้นตามที่แนะนำมาเนี่ยทางคิดใจถ้าปล่อยให้มันเกิดความรักความใคร่ขึ้นยู่ ความรักความใคร่นี้เป็นอกุศลอย่างกลางสําหรับผูกบาเพ็ญผูกประพฤติ ร, รมแล้วปล่อยให้จิตมันเกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอยู่อย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอกุศลอย่างกลางเหมือนกันหรือ ว, ว่าเพงแตเกลียดชัง แต่ว่าไม่ลงมือประทุษร้ายผู้อื่นเก่งมนคิดเกลียดชังอยู่ในใจผูกใจเจ็ียอยู่ภายในแล้วก็ชอบใจในความหลับความนอนเกินขอบเขตเกินประมาณไม่เห็นโทษแห่งความหลับความนอน และปล่อยจิตของตนให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปคิดทายไปไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยจิตของตนให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงมรรคผลนิพพาน มรคนิพานมีหรือไม่นอสวรรค์มีหรือไม่น อ, รร อ, น, อนรกมีหรือไม่นอหมูเนี่ยถ้าไปเกิดความสงสัยรังเนีอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็อกุศลอย่างกลางแล้วทําให้จิตใจสงบลงไม่ได้นี่ให้เข้าใจ คำว่าความสงบนั้นนะสงบจากอากุศลอย่างกลางดังกล่าวมานี่ถ้าหากว่าระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้จิตก็สงบได้รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าละกิเลสห้าอย่างนี้ไม่ได้จิตก็สงบลงไม่ได้ต้องเรียนรู้ สิ่งที่กวนใจไม่ให้สงบระงับนั่นนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเมื่อตนภาวนาไปกิเลสชนี้ไหนมันเกิดขึ้นครอบงามจิตก็รู้เมื่อรู้แล้วก็เหียนละให้มันระงับไปจากกิตใจ จิตใจมันถึงจะสงบลงได้ไม่เช่นั้นจิตก็สงบไม่ได้ <c oughs> การทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเรื่องปัญญานั้นถ้าว่าทำจิตให้สงบแล้วไม่มีปัญหาอะไรเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ พอเรานึกคิดอะไรมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาในเรื่องที่ต้องการอยากจะรู้จะเห็นนั้นซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาของตนเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ไปได้ทุกอย่างผู้มีภูมิกว้างก็รู้มากผู้มีภูมิแคบก็รู้ได้ตามน้อยตามภูมิ ปัญญาภูมิวัฒนาบารมีของตอนแต่ข้อสำคัญว่าให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแะข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นการที่เรารู้จักว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเช่นนี้ละเราก็ห้าม ไม่คิดมันต่อไปนี่สำคัญน่ะความคิดอันใดซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดทุกข์ใจมันก็เพียงแต่ว่าทำใจไม่ให้สงบเท่านั้นเองแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างรุนแรงแต่ความคิดบางอย่างเช่นความคิดรักความคิดเกลียดชังอย่างนี้อันนี้เป็น ความคิดที่ให้เกิดความทุกข์ใจอย่างแรงเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ความคิดหล่านี้มันอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไป นี่วรณาธรรมทั้งห้านี่จึงจะครอบงมจิตไม่ได้ความความสำรวมระวังความเป็นุกมีสติสมบัชิญชนยะระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอเสมอเนี่ยสำคัญยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ ก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ใจของตนเองอยู่ประคองใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้อันนี้สำคัญมากให้ฟัากันเข้าใจถ้าว่าเราห้ามจิตไม่ได้ประคองจิตให้เป็นปกติ อยู่ไม่ได้อย่างนี้ปัญญามันก็ไม่เกิดเลยนั่นนะจิตใจก็ถูกกิเลสมันครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุนมัวไปเมื่อใจเมื่อใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วกายวาจามันก็พลอยเศร้าหมองขุนมัวไปตามกันแหละัวใจเป็นอกุศลแล้ว มันกำลังจะใช้กายทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่วาจาพูดไปแต่ในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้าใจดําหรือว่าใจมัวหมองแล้วมันชอบจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธแล้วชอบไปจะใช้วาจาทิ่มแทงตอบโต้กันผู้อื่นไป มันก็เกิดบาปอากุศลขึ้นในใจและในวาจานี่น ะ, ะเพราะฉะนั้นจะาวาการปล่อยใจให้เศร้าหมองขุนมัวเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีเลยยน่นทุกคนอย่าไปทำใจขขงตนให้เศร้ามองขุนมัวทำใจให้เบิกบานผ่องใสโดย สำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนได้กระทําบำเพ็ญมาคนส่วนมากมักจะลืมความดีของตัวเองมักจะคิดส่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศล น, นั่นแหละมากต่อมาก สวนบุญกุศลความดีที่ตนนำมาไม่ค่อยจะนึกถึงไม่ค่อยคำนึงหาศีลที่ตนรักษามาหมือนไม่ค่อยคำนึงถ้าหากว่าจิตใจมาจดจ่อยอยู่ในเรื่องศีลพิจารณาเห็นอยู่ว่ากายของตนก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อย ไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลไม่ได้พูดอะไรให้ผิดศีลอย่างนี้เมื่อพิาพจารณาความบกพร่ของตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดความปีติเ อ, อิบอิ่มขึ้นมาในใจว่ากายวาจานี่มีศีลเมื่อกายวาจาเป็นศีลแล้วใจก็เป็นด้วยเพราะใจเป็นศีลก่อน กายวาจา ก, ก็จึงค่อยเป็นศีลตามหลังก็ต้องมันคำนึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเว้นเสียแต่เอาเวลาไปคิดอ่านการงานที่ควรจะทำการงานเกี่ยวกับการทํามาหาเลี่ยงขีดอันนั้นก็จำเป็นต้องต้องเอาไ เ, เอเวลานั้นต้องคิดอ่านเมื่อ หมดจากการคิดอ่านการงานภายนอกแล้วอย่างนี้นะเราต้องมาคำหนึ่งถึงความดีของตัวเองเสมอเสมอไปเมื่อมองเห็นว่าตนมีคุณงามความดีอยู่ในใจแล้วก็จับพึ่มใจอิ่มใจใจจะไม่เศร้าหมองคุณมัวก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจ ใครจะสรรเสริญใครจะนินทาอะไรไม่วันไหวเพราะมองเห็นความดีของตนมีอยู่ในใจแล้วใครจะด่าว่าเราไม่ดีก็ก็แล้วไปแต่ว่าเราเรารู้ตัวอยู่ว่าตนดีใจของตนดีอยู่อาการอาการกายและวาจาก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปโต้อตอบ คนที่เขาติเตียนนินทาว่าร้ายต่างๆเวรทั้งหลายมันก็ยอมไม่เกิดขึ้นแต่คนเรานี่ถ้าไม่รู้จักตรวจตราดูความระพฤกของตัวเองความคิดความเห็นภายในจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วนั่นเขาเรียกว่าลืมตัว ตนทำชั่วพูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็มีตนคิดผิดอยู่ไม่รู้ตัวก็มีขั้นเผื่อว่าคนอื่นที่เป็นนักปราชถนรู้ความประพฤติของตนเห็นความประพฤติของตนไม่เข้าร่องเข้าร้อยในทางศีลธรรมเขาว่ากล่าวตกเพื่อเกิดไม่พอใจโกรธเอาหาว่าเขาดูถูกดูมินตน ทีแท้ตนทำดีพูดดีอยู่คิดดีอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุประทานถือมั่นในความเห็นผิดของตนเองใช้ไม่ได้ใครเขาตำหนิเตียนมาธรรมดาราผู้เป็นนักปรารถ น, นเพื่อนไม่โกรธใครหรอกยอมพิจารณาตัวเอง ว่าเอ๊ะเราทำไม่ดียังไงเขาจึงนินทานจึงติเตียนเอาก็ต้องรีบกลัว ด, ดูอาการกายวาจาใจของตัวเองถ้าว่าตนทำผิดพูดผิดจริงมันก็รู้เลยเมื่อสำรวจกลัวดูนึกทบทวนดูแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็รู้ได้ เมื่อรู้ว่าเอตอนนั้นมันมีผิดจริงก็ยอมยอมให้เพื่อนติเตียนเอาคล้ายๆกับว่าเขาสั่งสอนให้ตนรู้ตัวให้ตนรู้ความผิดของตอนเองในละตนก็จะได้สำรวมระวังไม่ทำผิดพูดผิดอย่างนั้นต่อไป พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่คนเขามองเห็นความผิดของตนแล้วเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวนั้นให้ถือว่าเหมือนอย่างบุคคลบอกขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตนให้ถืออย่างนั้นในตําราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เพราะว่าตนจะได้ละความผิดอันนั้นออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้นำเนินในทางที่ถูกต้องจะได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญต่อไปถ้าไปมัวถือแต่พิธีมานะอยู่ไม่ยอมฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ผู้นั้นจะละความผิดของตัวเองไม่ได้ตลอดไปเลย ท่รนเนวัติถูประทานเถอะมั่นในความเห็นของตนเองฝ่ายเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราทำาถกพูดถูกคิดถูกโยเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตรงกันโยแต่เขาตำหนิตีเตียนเอา อย่างนี้มันก็มีอยู่เหตุสองอย่างอย่างหนึ่งเขาเข้าใจผิดในเราไปอย่างที่สองก็เป็นด้วยกรรมวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาให้ผลมีโยอยู่ดีๆมีคนใส่โทษมีคนไม่พอใจ รังเกียจเอารังแกเอาอะไรพวกนี้ใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตของตัวเองใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิต ของตนเองตามความจริงน่้กล่าวมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองเลื้อยไปให้พึ่งพากันเข้าใจถ้ารู้ว่าความบกพร่ของตนเป็นปกติดีอยู่ตรงตามศีลตามธรรมคำสอนของพระเถรเจ้าอยู่ ยังมีคนยกโทษติเตียนอย่างนี้ก็ให้นึกว่าเป็นกรรมวิบากแต่ผลหลังที่ตนได้ทำมามันติดตามมาสนองเอาเราก็อดทนอดกัน้นให้กรรมวิบากนั้นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ระงับไปเองแล้วเมื่อกรรมเวร น, นั้นระงับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ ดีเป็นปกติไปคนที่เคยเกลียดชังก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนมาแสดงความนับถือก็มีนั่นแหละคนที่ไม่เกลียดชังมาแต่ก่อนก็ยิ่งนับถือยิ่งยิ่งขึ้นไปในเมื่อบาปกรรมเวรมันระ ง, งับไปบุญกุศลความดีที่ตนทำ ม, มานั่น่ะ มันมาอำนวยผลให้อะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนี่มันต้องรู้อย่างนี้จึงจะสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติไปได้ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ต้องจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยไปดังนั้นแหละพระบรมศ า, ศาสดา จึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอ ก, ออกมาโนนบรรดาให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรตกอะไรอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริงแท้ที่จริงแล้วตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตัวเองโดยตรง บางทีก็เกิดจากการกระทาไม่ดีของตนในอดีตทนหลังนุ่นตนเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการกระทาความไม่ดีของตัวเองในปัจจุบันนี้ตนเองทำไม่ดีพูดไม่ดีผลมันก็อาจจะตามสนองปัจจุบันนี้ก็กมีเหมือนมันเป็นอย่างนั้น เราต้องเรียนรู้เรื่องกรรมมวิบากนี้ให้มากมากทีเดียวอ่ะในฉะนั้นแล้วเดือดร้อนแน่นอนคนเรานะ่อันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงตัดสู้ในยามที่สองหรือตอนเที่ยงคืนนะรู้แจ้งในความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลาย จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทาของแต่ละบุคคลโดยตรงเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดพระองค์รู้แจ้งโดยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาตามให้เห็นตามนี้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตามทํานองครองธรรม เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะเมื่อกรมตามสนองมาตนก็อดทนได้บวลนี่โอ้กรรมของเราเนาะ อ, อย่างนี้นะอา้าถ้าใครเขาเกลียดชังเขาด่าว่าก็ด่าไปกรรมของเราเราจะต้องอดทนเอาเราทำออกมาเองแล้วเราจะไปโยนให้ผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กรรมในอดีต ความปราพื้นไม่ดีของตนทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนว่าเอานี่รู้ตัวแล้วเราก็สั่รวมกายวาจานั้นให้ดีงามไม่ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วเรื่องต่างๆมันก็ดีไปมันก็ระงับไปแต่ถ้าคนอื่นเขาว่ากล่าวเอาอย่างนี้ คนก็ไปกโกรธให้เพื่อนเข้าไปเสียตอบโต้กันไปเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองไวเช่นนี้เวรมันก็ไม่ระ ง, งับแล้วต่อกันไปอีกก็สร้างเวรใหม่สืบต่อไปไม่รู้จบรู้สิน้นนี่ความประพฤติทางกายวาจาของคนเรานี่น่ะมันมีใจเป็นประธาน มีใจเป็นผู้บงการถ้าใจดีมันก็บงการให้ทาดีพูดดีไปถ้าใจไม่ดีมันก็บงการให้ทาไม่ดีพูดไม่ดีพูดนอกสินนอกทมคำสอนของตัธเจ้าไปก็มันเป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานะมันมีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธาน ฉะนั้นผู้กระเพิด ท, ทำในพุทธศาสนานั้นอย่าไปมองไปทางอื่นอว่ามาทําให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์มองดูใจตัวเองนี้ใจตัวเองนี่แหละทําให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดีแล้วอย่างนี้อ่ะถึงแม้จะมีกครำรเวรโหนหลังตามมาสนอง มันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เพราะตอนรู้นี่รู้ว่ากรรมเวรที่ตนทำมาแล้วเราจะเอาไปโยนให้ใครรับสนองแทนไม่ได้ตนเองต้องรับสนองเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจอดกั้นทนทานให้กรรมเวรนันมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วก็ระงับไปเองมัน ถ้ามันยังไม่หมดเขตของมันเอา้ามันกส็สนองไปเราก็อดทนไปสู้กับขนแห่งกรมแห่งเวนอ น, นั่นไปทำอย่างไรได้เพราะทนได้ทำมันมาแล้วเดี๋ยวก็อธิษฐานใจว่าต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วกับใครต่อไปเลยจะทำแต่ความดีจะพูดแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั้นจะไม่เอามาพูดเลยเรื่องที่ไปกระทบ ก, กระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนโมนี้เราจักไม่ทําไม่พูดอธิษฐานใจเสมอเสมอไปในขณะที่กรรมมันสนองอยู่นั่นทีนี้เมื่อกำเวณอันนะั้นมันหมดไปแล้วมันก็มีแต่ความดีเท่านะั้เกิดขึ้น เมื่อตนได้ทำความดีไว้ในปางก่อนมาความดีมันก็โผล่ขึ้นมาให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปหมดประกอบกับตนกระทำความดีพูดดีในปัจจุบันนี้เข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีแต่ดีทั้งนั้นล่ะบานีนะ่ะพอหายไปในชีวิตของปุถุชน คนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันรุ่มรุ่มดอนดอนอย่างนี้ก็เพราะความบวชพืชนั่นแหละมันไม่สม่ําเสมอดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแม่ตัวของตัวเองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยความบวชพติของตัวเองมันก็ยังมีรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่เหนื้อจะ น, นี้จะไม่ให้กรรม ที่ตนทํานั้นมันตามสนองทั้งสองอย่างอย่างไรเล่าบางคราวพอทำชั่วพูดชั่วไปบางคราวพอทําดีพูดดีไปอย่างนี้นะคราวใดทําชั่วพูดชั่วมันก็เกิดเป็นกรคำชั่วขึ้นมาคราวใดทําดีพูดดีก็เกิดเป็นก ร, รมดีขึ้นมานี่แต่ก ร, รมดีกรคำชั่วที่เป็นลหุกรรม เป็นคำเบานะ่นะถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ตัวว่าตนทำชั่วพูดชั่วผิดสินผิดธรรมแล้วอธิษฐานใจละเว้นมันไปสำรวมระวังต่อไปไม่ทำชั่วไม่พูด ช, ชั่วอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้คำเวีนอ น, นั้นมันอาจเป็นอาโหสิกรรมไปมันจะไม่ตามสนอง พอเรารู้ตัวแล้วเราอธิษฐานใจเว้นมันแล้วไอ้ที่กรรมมันตามสนองคนอยู่เนี่ยพราะคนทํามันแล้วมันไม่รู้ตัวว่าตนทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่เห็นโทษแห่งการกระทํานั้นเช่นนั้นกรรมนั้นมันก็ไม่หนีออกจากกายใจของคนเราติดต่อยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้น นี่ต้องให้เข้าใจถ้าถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธวิสัตละสิ่งที่เป็นบาปอากุศลแล้วทำในสิ่งไม่นักอย่างนี้บุคคลสามารถละได้เพราะองค์เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาแล้ว ดังนั้นนะพระองค์จึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทให้เพียรละคำชั่วที่เป็นลหุกรรมเนี่ยส่วนครุกรรมกําหนักนั้นน่ะใครทําลงไปแล้วนั่นจะเพียรพยายามละอย่างไรมันก็ไม่ได้เลยละอย่างไรมันก็ไม่ไม่ระงับไปมันต้องตามให้ผลจนได้ เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอราหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่ อ, อขึ้นไปทำสงให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักถ้าใครไปพลั้งเผลอกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่นนี้ แม้จะทำความดีอย่างไรอย่างใดตลอดชีวิตก็แก้ไม่ตกให้ผลชนได้น้ำไปสู่อาเวจีมานรกอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นนี่เราต้องรู้ขั้นตอนเหงนกรรมไว้อย่างนี้ถ้าเป็นระหูกรรมกรรมเบาพูผู้ใดระลึกได้ว่าตนทำผิดจริงยอมสารภาพผิด ไม่ยอมสารภาพผิดตกคนอื่นก็ยอมสารภาพผิดต่อตัวเองหรือว่าต่อหน้าพระพุทธรูปก็ ต, ตามกราบแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพาเจ้าได้ทําผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงต่อห น, นี้ไปข้าพาเจ้าจะสํารวมระวังจะไม่ทําผิดไม่พูดผิดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอํานาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้น ขอให้ความชั่วเหล่านั้นจงระงับรับไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่ผู้ดใดถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วอธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้ากรรมชั่วนั้นไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยมันจะระงับไปนี่วิธีละกรรมอันชั่วที่เป็นลาหุกรรมแม้คารุกรรมกรรมหนักก็เหมือนกันเลย ถ้าผู้ใดได้ทำมาแล้วอย่างนี้ก็มันอธิษฐานใจเสม อ, อตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วเช่นนี้นี่เมื่อได้สวยผลแห่งกรรมหนั ก, นกอันนั้นไปแล้วพ้นจากกรรมหนักนั้นไปแล้วต่อไปผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมหนักอย่างนั้นต่อไปอีกเพราะว่าเข็ดลาบแล้วรู้ตัวแล้ว อธิษฐานใจมั่นลงไปแล้วถ้าผู้ใดระลึกไม่ได้อย่างว่านี่มันอาจทำอีกต่อไปก็ได้เมื่อพ้นจากกรรมชั่วอันนั้นไปแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจในการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวตาสงสารอันนี้ กรเพาะระลึกถึงกรรมทั่วที่ตัวทำไม่ได้นี้เองเนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นเลยบางคนมีจริตนิสัยอย่างไรติดจริตนิสัยอันไม่ดียางไรติดตัวมายางไก็ไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันไม่ดีอันนั้นไม่อธิษฐานใจละเว้นไม่พยายามดัด จ, จริตนิสัยของตนให้ดี ปล่อยตนให้ไปตามนิสัยอันชั่วต่างๆหมู่นั้นผู้เช่นนั้นเนี่ยก็มักจะทําชั่วใส่ตัวเองบ่อยๆเลยไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยทุกข์กันแน่มากปวดเสวยทุกขอยู่ในวัฏฏวนอันนี้ เพราะฉะนั้นทุกคนในพึ่งพากันเข้าใจในเรื่องการละบาปอมเพนบุญดังที่บรรยายให้ฟังมานี่ก็ โ, โดยอาศัยการทำจิตให้สงบสิแหละเป็นการละอกุศลไปในตัวเลยให้เข้าใจอย่างนั้นโดยสรุปใจความแล้วนะ เพ่งกรรมฐานเข้าไปเช่นผู้เป็นโทสัจจริตมักโกรธง่ายอย่างนี้ก็ต้องเพ่งเมตตาธรรมให้มากๆเข้าไปจเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มากๆ <c oughs> มันก็จะบรรเท า, าบางลงความโกรธความพยาบาทต่างๆของนั้ น, น <c oughs> ผู้ใดเป็นราคจริตเช่นนี้ ก็ให้มันเจริญอสุภะกรรมาฐานบ่อยๆเข้าไปเพรามันรักสวยรักงามแต่สิ่งที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเพียงแค่สมมุติไม่ไม่เป็นความจริงอย่างรูปร่างกายอย่างเนี้ยมันงามแต่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้นเองอถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียว อย่างนี้นะเราเพ่งอสุภะเข้าไปอย่างนี้ในความรักถวอยรักงามอะไรมันก็ บ, บัรเทาเวบาบางไปจิตใจก็สงบระงับลงได้ใ <c oughs> นอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนในเ พ, เพื่อละกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันมีอยู่แต่คนนไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผู้ใดปฏิบัติตาม ก็ยอมได้ความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้